จริยาแปล ว, ว่าความประพฤติปกติหมายถึงพื้นเพ ข, ของนิสัยพื้นนิสัยลักษณะความประพฤติที่หนักไปทางใดทางหนึ่งตามสภาพจิตที่เป็นปกติของบุคคลนั้นๆตัวความประพฤติหรือลักษณะ น, นิสัยนั้นเรียกว่าจริยาบุคคลผู้มีลักษณะ น, นิสัย และความประพฤติอย่างนั้นๆเรียกว่าจริตตัวอย่างเช่นคนมีราคะจริยาเรียกว่าราคะจริตเป็นตน้นโดยประเภทใหญ่ๆจัดเป็นจริตหกคือหนึ่งราคะจริตผู้มีราคะเป็นความประพฤติปกติมีลักษณะ น, นิสัยหนักไปทางราคะ ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงามละมุน ล, ละไมควรใช้กรรมฐานคู่ปรับคืออสุภะและกายาคตาสติ 2. โทสะเจริตผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติมีลักษณะ น, นิสัยหนักไปทางโทสะประพฤติหนักไปทางใจร้อนหงุดหงิดรุนแรงกรรมฐานที่เหมาะ คือเมตตารวมถึงพระ ม, มิหารข้ออื่นและกสินโดยเฉพาะวันนกกสินสโมหะจริตผู้มีโมหะเป็นความประพฤติปกติมีลักษณะ น, นิสัยหนักไปทางโมหะประพฤติหนักไปทางเขเางาซึมเงื่องงงงมไงยใครว่าอย่างไรก็คลอยเห็นคลอยตามไป พึงแก้ด้วยมีการเรียนไต่ถามฟังธรรมสนทนาธรรมตามการหรืออยู่กับครูกรรมฐานที่เกื้อกูลคืออาณาปานสติ 4. สศรัทธาจริตผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติมีลักษณะนิสัยมากด้วยศรัทธา ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้งชื่นบานน้อมใจเลื่อมใสโดยง่ายพึงชักนำไปในสิ่งที่ควรแก่ความเลื่อมใสและความเชื่อที่มีเหตุผลเช่นระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและศีลของตนอนุสติหกข้อแรกได้ทั้งหมดหาพุท ธ, ธิเจริตหรือยานจริต ผู้มีความรู้เป็นความประพฤติปกติมีลักษณะนิสัยความประพฤติหนักไปทางใช้ความคิดพิจารณาและมองไปตามความจริงพึงส่งเสริมด้วยแนะนำให้ใช้ความคิดพิจารณาสภาวธรรมและสิ่งดีงามที่ให้เจริญปัญญาเช่นพิจารณาไตรลักษณ์กรรมฐานที่เหมาะคือมรณสติอุปมานุสติเจตุธาตุววัฏฐาน อาหาเรปฏิกูลละสัญญา 6. วิตกจริตผู้มีวิตกเป็นความประพฤติปกติมีลักษณะ น, นิสัยความประพฤติหนักไปทางชอบครุ่นคิดวกวนนึกคิดจับจดปุงงร้านพึงแก้ด้วยสิ่งที่สะกดอารมณ์เช่นเจริญอาณาปานสติหรือเพ่งกะสินเป็นต้น อาการแสดงออกต่างๆกันในทางความประพฤติของจริตเหล่านี้เช่นเมื่อพบเห็นสิ่งของอะไรสักอย่างถ้าของนั้นมีอะไรเป็นส่วนดีน่าชมอยู่บ้างใจของคนราคาจริตจะไปจับอยู่ที่ส่วนนั้นติดใจเล็งแลอยู่ได้นานส่วนอื่นที่เสียเสียไม่ได้ใส่ใจส่วนคนโทสะจริตแม้ของนั้นจะมีส่วนดีอยู่หลายอย่าง แต่ถ้ามีส่วนเสียหรือข้อบุพร่องอยู่สักหน่อยใจของเขาจะกระทบเข้ากับส่วนที่เสียนั้นก่อนไม่ทันได้พิจารณาเห็นส่วนดีก็จะไปเสียเลยคนพุทธทิจริตคล้ายคนโทสะจริตอยู่บ้างที่ไม่ค่อยติดใจอะไรแต่ต่างกันที่ว่าคนโทสะจริตมองหาส่วนเสียหรือมองให้เสียทั้งที่ไม่เป็นอย่างนั้นจริง และพระไปอย่างหงุดหงิดขัดใจส่วนคนพุทธิจริญมองหาส่วนเสียครอบบุกร่องที่เป็นจริงและเพียงแต่ไม่ติดใจผ่านไปส่วนคนโมหาจริตมองเห็นแล้วจับจุดอะไรไม่ชัดออกจะเฉยเฉยถ้าใครว่าดีก็พลอยเห็นดีว่าตามเข้าไปถ้าเขาว่าไม่ดีก็พลอยเห็นไม่ดีคล้อยตามเข้าไป ฝ่ายคนมิตกจริตคิดจับจดนึกถึงจุดดีตรงนี้บ้างส่วนไม่ดีตรงนั้นบ้างวุ่นไปวุ่นมาช่างไม่เสร็จตัดสินใจไม่ตกจะเอาหรือไม่เอาส่วนคนศรัทธาจริตมีลักษณะคล้ายคนราคะจริตอยู่บ้างคือมักมองเห็นส่วนที่ดีแต่ต่างที่ว่าคนศรัทธาจริตเห็นแล้วก็ชื่นชมซาบซึ้งใจเรื่อยไป ไม่ติดใจอ้อยยิงอย่างพวกราคะจริตอย่างไรก็ตามคนมักมีจริตผสมเช่นราคะผสมวิตกโทสะผสมพุท ธ, ธิเป็นต้นในการปฏิบัติบำเพ็ญสมาธินอกจากเลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจริตแล้วแม้แต่สถานที่อยู่อาศัยบรรยากาศหนทางของใช้ อาหารเป็นต้นท่านก็ยังแนะนำให้เลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะคือเกื้อกูลเหมาะกันด้วยกรรมฐานสี่สิบนั้นนอกจากเหมาะกับจริตที่ต่างกันแล้วยังต่างกันโดยผลสำเร็จที่สามารถที่าาเกิดขึ้นสูงต่า ม, มากน้อยกว่ากันด้วยคือมีขอบเขตในการให้เกิดสมาธิระดับต่างๆไม่เท่ากัน